แสดงธรรมกถาสืบต่อไปจงพากันตั้งใจฟังโดยสัจจะ เ, เคารพเถิดหัวข้อที่สิบไม่ใช่เพราะชดาพระพุทธภาสิทธณะชตาหิณโคเตนะณชัจจาโหติพรามโน ยำหิสัจจันจะธรรมโมจะโสสุจิโสจะพรามโนแปลว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นพรามเพราะชดาชเพราะชาติโคดหาพิไดแต่สัจจะและธรรมมีในบุคคลใดผู้นั้นเป็นผู้สะอาดเป็นพรามอธิบายความชดานั้นทมสมบัติหมวดสิบสอง หน้า295ของพระศาสนโสพลวงเล็บแม่มฉบับพิมพ์ครั้งที่8ทับพวงเล็บไว้ว่าคือการกล้าวผมยุ่งเหยิงเมื่อข้าพเจ้าไปอินเดียได้เห็นนักบวชประเภทนี้จำนวนมากและส่วนมากสกปรกด้วยเพราะไม่ได้สะผมให้สะอาดบางคนทาตัวด้วยขี้เท่าไม่รังเกียจ ความสกปรกเสียเลยเพราะฉะนั้นในที่นี้พระาศาสดาจึงตรัสถึงความสะอาดไว้ด้วยเรื่องทานองเดียวกันนี้พระาศาสดาเคยตรัสว่าการประพฤติเปลือกกายชดาเปลือกตมการอดอาหารการนอนเหนือแผ่นดินการทาตัวด้วยขี้เท่าหรือฝุ่นวงเล็บหมักหมมเหงื่อใครว้ และความเพียรในการนั่งกระโยงเหล่านี้ทําสัตว์ที่ยังไม่ข้ามความสงสัยให้หมดจดไม่ได้แต่โดยนัยะตรงกันข้ามบุคคลแม้ยังตกแต่งกายอยู่แต่เป็นผู้สงบกิเลสฝึกตนได้ผู้นั้นเรียกว่าผู้ประเสริฐสมดังที่ตรัสว่าบุคคลแม้ประดับกายด้วยเครื่องอลังการแต่เป็นผู้สงบฝึกตนแล้วเที่ยงต่อมรัส และผลเป็นผู้ประพฤติอย่างพรมคือมีเมตตากรุณาหรือเว้นจากการเกี่ยวข้องทางกรรมและทิ้งความโหดร้ายทารุณต่อสัตว์ผู้นั้นตถาคตเรียกว่าพรามก็ได้สมณะก็ได้ภิกษุก็ได้ชาติคือกำเนิดเดิมของบุคคลเช่นเกิดมาเป็นลูกของกษัตริย์ ลูกพ่อค้าชาวนาหรือแม้แต่กรรมกรกว่าถนนกำเนิดนั้นไม่ใช่เครื่องตัดสินว่าเขาดีหรือชั่วคนจะดีหรือชั่วเพราะกำเนิดของเขาหาไม่ได้แต่ดีหรือชั่วเพราะการกระทาของตนคนกำเนิดสูงอาจจะเลวยิ่งกว่าสัตว์ดิลฉานบางประเภทคนกำเนิดต่ำอาจจะดีกว่าเทวดาบางจาพวก พระธรรมเทศนาเรื่องกรรมวาทะของพระพุทธเจ้านี้หักล้างความเชื่อถือของรามอย่างมากส่วนโคตนั้นตรงกับภาษาอังกฤษว่าแครนหรือแอนเชสตรีแปลว่าสกุลหรือเหล่ากอาศาสนาสากลเล่มสองหน้าจ็สิเโดยพลตรีหลวงวิจิตวาทการว่าคำว่าโคต หรือโคตตะในบาลีและโคตระในสันสกฤตแปลว่าข้อขโคเดิมหมายความว่ามีโคอยู่ในคออเดียวกันก็เป็นโคเดียวกันคำว่าตระกูลหรือกุละหมายถึงเชื้อสายวงวานซึ่งกว้างกว่าโคจึงมีคำเรียกพระพุทธเจ้า ว, ว่าโคตมะหรือพระโคดม และเรียกเชื้อพระวงศ์ของพระองค์ว่าสากยะองค์ในพระบารีเราจะพบเสมอเมื่อกล่าวถึงพระพุทธเจ้า ว, ว่าคติโยชาติยาโคตโมโคตเตนะสกยักุลาปภะชิโตแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นกษัตริย์โดยชาติเป็นโคตมะโดยโคตออกบวชจากสากยัสกุลเทียบให้เห็นในปัจจุบันดังนี้ ชาติหมายถึงกำเนิดของชนชั้นเช่นเป็นชาวนาหรือชาวสวนเป็นพ่อค้าหรือข้าราชการหรือกษัตริย์ตระกูลหรือสกุลคือชื่อของวงวงหนึ่งหนึ่งอาจแบ่งออกเป็นสายสายแต่ละสายนั้นเองเป็นโคตคนในสกุลหนึ่งมีสิบสายแต่ละสายก็เป็นโคตหนึ่งยกตัวอย่างให้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือต้นไม้ สกุลหรือตระกูลเปรียบเหมือนลำต้นของต้นไม้ส่วนกิ่งทั้งหลายที่ยื่นออกไปจากลำต้นคือโคดและยังมีกิ่งเล็กจากกิ่งใหญ่อีกนั่นคือครอบครัวส่วนชาติเปรียบเหมือนพันไม้เขียนให้มองดูง่ายอ่านง่ายอีกทีชาติเปรียบเหมือนพันไม้สกุลเปรียบเหมือนลำต้นโคดเปรียบเหมือนกิ่งใหญ่ครอบครัว เปรียบเหมือนกิ่งเล็กสาคยะวง์ของพระพุทธเจ้ า, าก็คงมีหลายสายเหมือนกันวงเล็บเช่นสาคยะแห่งขบิลพัทสาคยะแห่งจาตุมาและสาคยะแห่งวิทัญยาเป็นต้นที่วงเล็บได้มีเครื่องหมายคําถามไว้นั้นเป็นเพราะข้าพเจ้าไม่แน่ใจนักว่าเป็นสาคยะแต่ละสายหรือสายเดียวกันแต่ไปครองเมืองจาตุมาครองเมืองวิทัญยา อย่างไรก็ตามเป็นการแน่นอนอย่างหนึ่งว่าสกุลใหญ่ๆทั้งหลายจะต้องมีหลายสายทั้งนั้นศากยวงศ์ของพระพุทธเจ้าก็น่าจะเป็นเช่นนั้นหวนกลับมาหาพระพุทธพจน์อีกครั้งหนึ่งที่ว่าบุคคลจะเป็นพรามเพราะชดาเพราะชาติหรือโทษหาไม่ได้แต่บุคคลเป็นพรามเพราะมีสัจจะและธรรมะสัจจะคือความจริงจริงกาย คือทำจริงจริงวาจาคือพูดจริงและจริงใจคือมีความตั้งใจจริงไม่ตั้งตั้ ง, งล้มล้ ม, ลมรู้อริยสัจผู้มีสัจจะและธรรมะเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้สะอาดและเป็นพราหมณ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยุณนะเชตวันทรงปรารบชดินคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้พราหมณ์ผู้ถือเพศเป็นชดินวงเล็บคือมีชดา นั้นคิดว่าเราเกิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายมารดาและบิดาในสกุลพราหมณ์ถ้าพระโคดมเรียกสาวกของพระองค์ว่าเป็นพราหมณ์พระองค์ก็ควรเรียกเราอย่างนั้นบ้างเขาเขาเ้าเฝ้าพระาศาสดาทูลให้ทราบแต่พระพุทธองค์ตรัสว่าเราไม่เรียกคนว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุสักว่ามีชดาหรือชาติและโคดแต่เราเรียกคนที่แทงตลอดสัจจะสี่ คืออริยสัจว่าเป็นพรามดังนี้แล้วตัดพระขาถาว่าณชะตาหิณโคตเตนะเป็นอาทิมีนัยะดังพาณ น, นามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็เป็นสัจจะความจริงอันหนึ่งนะซึ่งชาติตระกูลไม่สามารถทำให้คนบริสุทธิ์ได้ พอคนชั้นต่ำถ้าประพฤติดีก็ดีได้เนี่ยคนชั้นสูงประพฤติไม่ดีก็ตกนรกได้เหมือนกันคนจะต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องตัดสินว่าดีหรือเลวเหมือนพราหมณ์ที่เขาโต้กับพระพุทธเจ้าเราได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเนี่ยองค์ของพราหมณ์มีหลายข้อเนี่ยคือต้อง เกิดในตระกูลที่ดีทั้งเจ็ดชั่วโคตและเป็นผู้ทรงพระเวทนี่นี่มีหลายข้อและมีอีกสองข้อคือความประพฤติดีกับปัญญาเ็าเรียกว่าศีลกับปัญญาเนเมื่อพระพุทธเจ้าไปโตตอบปัญหาซึ่งในภาพยนต์เรื่องพระพุทธเจ้าก็มีเหมือนกัน ถ้าว่าชาติโคตรนั้นจะทำให้คนบริสุทธิ์ได้หรือนี่ว่าไม่ได้ต้องมีองค์ธรรมพรามผู้อาวุโสเนี่ยเขามีความรู้มีความสามารถเนี่ยเบอกว่าลาพังชาติตระกูลไม่สามารถทำคนบริสุทธิ์ได้เขาก็ยอมรับเหมือนกันเนี่ยเมื่อกล่าวในที่ประชุมจนพรามทั้งหลายเนี่ยหาว่าเขานั้นดูถูกพรามเนี่ย บอกว่าท่านหลงมายาของพระโคดมแล้วหรือทำไมถึงลืมข้อปฏิบัติของพราหมณ์ที่ยกย่องว่าเกิดในตระกูลดีในชาติดีเนี่ยพราหมณ์ขาบอกว่าชาติตระกูลจะทำอะไรได้ถ้าไม่มีคุณธรรมเนี่ยอย่างยกตัวอย่างนี่หลานของข้าเองอยู่ในที่นี่แหละเนี่ ย, เ, ยเขาเกิดในชาติสูงชาติพราหมณ์โดยบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่เนี่ย และญาติหลายชั่วคนนะก็มีความบริสุทธิ์นี่ยแต่เขาประพฤติไม่ดีนี่ประพฤติผิดในกลามแล้วกินเหล้าเมาสุราติดอวายามุกเนี่แล้วเขาจะประเสริฐได้อย่างไรนี่นั่นก็เป็นข้อชัดเจนที่แม้ความจริงอันนี้เขาก็ยอมรับเน่อาจารพระองค์ก็เลยถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่สำคัญถอนออกก็ได้องค์ที่ทำให้เป็นพราหมณ์เนี่ยถอนไปได้หลายข้อนจนกระทั่งว่าเหลือสองข้อ ขอ้อศีลกับปัญญาเนี่ยในสองข้อนี้ถอนข้อใดข้อหนึ่งได้ไหมนี่กล่าวโดยสรุปเนี่ยพระเดชจ้าถามพรามณ์ที่เป็นอาวุโสเขาก็บอกว่าไม่ได้สองข้อนี้ถอนไม่ได้นี่ยบอกทําไมถึงถอนไม่ได้เนี่ยเพราะศีลอยู่ที่ใดปัญญาก็อยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ใดศีลก็อยู่ที่นั่นก็ว่าอย่างนั้นเนี่ย อุปมาเหมือนกับล้างมือด้วยมือล้างเท้าด้วยเทา้าเนี่ยบัญญัติถ้าข้างเดียวมันไม่สะอาดเนี่ยพุทธเจาก็เออแม้เราก็กล่าวอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราบัญญัติเราก็จะบัญญัติอย่างนี้เหมือนกันคือถอนออกไม่ได้ข้อใดข้อหนึง่งนี่ยเพราะว่าเซนกับปัญญาต้องคู่กันไปนี่ยนั่นก็เป็นสัจจะหรือความจริงไม่อิงกับโคตรหรือชาตินีแต่ ความประพฤติต่างหากสิบเอ็ดเกลี้ยงแต่ภายนอกพระพุทธภาสิทธกินเตชตาหิทุมเมทะกินเตอชินสาติยาอัพันตรันเตขหนังพาหิรังปริมัชสิแปลว่าดูก่อนคนมีปัญญาชั่วประโยชน์อะไรด้วยชดาของท่าน ประโยชน์อะไรของท่านด้วยหนังเสือวงเล็บที่ท่านใช้ห่มภายในของท่านรกมากเกลี้ยงเก่าแต่ภายนอกอธิบายบุคคลบางคนสามปัญญาต้องการหลอกลวงคนอื่นโดยเพศบ้างโดยกิริยาอาการบ้างโดยเพศเช่นเพศนักบวชโดยกิริยาอาการเช่นมีกิริยาอาการน่าเชื่อถือน่าเคารพอ้างตนว่าเป็นแพทย์หญิง บ้างเป็นลูกนายพลบ้างแล้วหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์บางอย่างคนอย่างนี้แหละเรียกว่าเกรียงเก่าแต่ภายนอกส่วนภายในรกเหลือหลายวิชาจิตวิทยาบอกเราว่ากิริยาอาการ เ, าเขียนเป็นภาษาอังก ฤ, ฤษา personality ของคนกับอัตลักษณ์คา์ ของเขาไม่ตรงกันเสมอไปคนมีกิริยาอาการดีแต่จิตใจเร็วก็มีคนมีกิริยาอาการไม่สู้ดีนักแต่ใจสูงก็มีตรงกันก็ได้คือเร็วทั้งสองอย่างนั้นก็ได้หรือดีทั้งสองอย่างก็ได้พระพุทธเจ้าเคยตัดเตือนไว้ว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะผิวพรุ์รูปร่างก็หาไม่ได้ไม่ควรทำความคุ้นเคยกับคนที่เห็นกันเพียงครู่เดียว คนไม่ดีเป็นอันมากในโลกนี้เที่ยวไปในโลกด้วยลักษณะการแห่งคนดีเหมือนมอดินและมาสกที่ทำด้วยโลหะไลด้วยทองจัดเป็นของปลอมทำนองเดียวกับคนปลอมงามแต่ข้างนอกภายในโศกปรุกเมื่อบริวารแวดล้อมแล้วก็เที่ยวไปในโลกได้เพราะเหตุนี้จะวางใจใครมากนักไม่ได้ บางคนแม้จะไว้ใจได้ก็ไม่ใช่ไว้ใจได้ทุกคราวไปเพราะสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆไม่เหมือนกันทุกครั้งไปเช่นคนหนึ่งมีโอกาสจะโกงเงินได้ในวงเงินพันบาทแต่ไม่โกงเพราะยังมีเงินพังพร้อมอยู่แต่บางโอกาสอาจจะขาดเงินอย่างมากแม้จะซื้อข้าวกินก็ไม่มีโอกาสเช่นนั้นเขาอาจจะโกง เงินได้แม้จํานวนน้อยเพียงร้อยบาทหรือ20บาทอีกอย่างหนึ่งทัศนคติอุดมคติของคนอาจเปลี่ยนได้ตามสิ่งแวดล้อมหรือคาสอนที่ตนเห็นว่าดีหรือยึดถือในขณะนั้นการดำเนินชีวิตก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยความไม่ประมาทเป็นทางที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตเรื่องต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแห่งคนเกรียงเกาแต่ภายนอกรกภายใน เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศ า, าสดาประทับอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีครั้งนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งขึ้นต้นกลุ่มใกล้ประตูเมืองเวสาลีเอาเท้าทั้งสองเหนี่ยวกิ่งไม้ห้อยหัวลงบรรคางข่าวกล่าวกับชาวเมืองว่าท่านทั้งหลายจงให้โคแดงแก่ข้าพเจ้าจงให้เสื้อผ้าและอาหารแก่ข้าพเจ้า ถ้าท่านไม่ให้ข้าพเจ้าจะตกจากต้นไม้นี้จะทำเมืองไม่ให้เป็นเมืองชาวบ้านวงเล็บผู้โง่เขากลัวว่าความพินาศจะมาถึงบ้านเมืองจึงยอมให้ของต่างๆตามที่เขาต้องการภิกษุทั้งหลายเข้าไปวินทบาทในเมืองเห็นเหตุนั้นเหมือนกันวันหนึ่งพิกษุทั้งหลายเห็นเขาเดินอยู่ใกล้วิหารจำเขาได้จึงถามว่าเขาได้ของตามที่ต้องการแล้วหรือเขาตอบว่าได้แล้ว ภิกสูทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแก่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์นั้นเป็นผู้หลอกลวงในการนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนเขาก็เคยหลอกลวงแล้วเหมือนกันแต่ในการนั้นเขาหลอกลวงบัณฑิตไม่ได้พระศ า, าสดาทรงนาเรื่องอดีตมาเล่าดังนี้เรื่องอดีตของพราหมณ์โกหกในอดีตการดาบทหลอกลวงรูปหนึ่งอาศัยอยู่ที่ กาศิกาคามตำบนหนึ่งตระกูลหนึ่งรับอุปถัมภ์ถวายปัจจัย4วันหนึ่งตระกูลนั้นแกงเนื้อเหียบริโภคแบ่งส่วนหนึ่งไว้ให้ดาบทดาบทนั้นบริโภคเนื้อเหียแล้วติดในรถอยากจะกินอีกวันรุ่งขึ้นเที่ยวขอเครื่องแกงและเนยใสดมส้มเตรียมไว้ตามปกติมีเฮียตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกใกล้บรรณศาลา มันจะมาไหว้ดาบทเป็นประจำวันนั้นดาบทนั่งคิดว่าเมื่อเฮียมาในวันนี้เราจะฆ่าเฮียนั้นจึงนั่งทําทีหลับตาซ่อนไม้ไว้เบื้องหลังเฮียมาไหว้ดาบทตามปกติแต่พอออกจากจอมปลวกมาได้หน่อยหนึ่งมองดูอาการของดาบทเห็นผิดปกติมันเกิดความระแวงขึ้นจึงเรียบหวนกลับเสียดาบทเห็นดังนั้น จึงคว้างไม้ไปแต่พลาดไม่ถูกเฮียเฮียวิ่งลงรูแล้วโผล่หัวออกมาหน่อยหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเข้าใจผิดมานานว่าท่านเป็นสมณะจึงเข้าไปหาแต่ความจริงท่านเป็นผู้มิได้สำรวมเลยการที่ท่านเอาไม้คว้างป่าข้าพเจ้านั้นแสดงถึงความไม่เป็นสมณะของท่านท่านผู้สามปัญญาไม่มีประโยชน์อะไรด้วยชดาของท่าน ประโยชน์อะไรของท่านด้วยผ้าทําด้วยหนังเสือภายในของท่านรุงรังท่านเครี่องเก่าแต่ภายนอกเท่านั้นดาบดต้องการล่อลวงเฮียจึงกล่าวว่าเฮียเมึงจงกลับมาเถิดจงกินข้าวสุก ข, ของเราน้ํามันและเกลือของเราก็มีเฮียตอบว่าข้าพเจ้าอยากจะไปในจอมปลวกให้ลึกสักร้อยชั่วคนอาหารของท่านไม่มีประโยชน์อะไรแก่เราเลย พระศ า, าสดาตรัสต่อไปว่ากุหกะพรามในบัรนั้นคือดาบทกงในกลาล น, นี้ส่วนพระยาเฮียคือเรานี่เองดังนี้แล้วจึงตัดย้ำวาจาที่เฮียคมดาบทนั้นว่าสมมณังตังมัญญะมาโนเป็นอาธิมีนยะดังพานานามาแล้วแต่ต้นอันนี้ก็คงจะเคยได้ยินกันเขรียฤาษีลวงเฮีย สิบสองเพ่งอยู่ผู้เดียวในป่าพระพุทธภาสิทธบังสกุละทารังชันตุงกิสังธรรมนิสันทะกังเอกังวณัตสมิงชานตังตะมะหังพรูหมิพรามะนังแปลว่าเราเรียกบุคคลผู้ทรงภาพบังสกุลผู้ผอมมีกายสะพังไปด้วยเส้นเอ็น เป็นผู้เดียวเจริญฌานอยู่ในป่าว่าเป็นพราหมณ์อธิบายทรงผ้าบางสกุลเป็นทุตดงข้อหนึ่งใน13ข้อผ้าบางสกุลคือผ้าที่พิกษุหรือพิกษุณีได้มาโดยไม่ได้มีใครเจาะจงถวายเป็นผ้าที่หาได้จากป่าช้าบ้างในตลาดบ้างเช่นผ้าหอดศกหรือผ้าเก่าที่เขาทิ้งแล้วภิกษุหรือภิกษุณีนําผ้าเช่นนั้นมาซักให้สะอาด ตัดและเย็บเป็นจีวรได้บางสกุลจีวรแปลตามตัวว่าผ้าคลุกฝุน่นอธิบายว่าผ้าที่เขาทิ้งแล้วหาเจ้าของไม่ได้ภิกษุผู้ถือทุดงข้อนี้ปฏิเสธไม่รับจีวรที่ทายกนํามาถวายเป็นส่วนตัวฝ่ายภิกษุพระมหากัสริยได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ถือเคร่งครัดที่สุดในเรื่องผ้าบางสกุล ฝ่ายภิกษุณีก็คือนางกีสาโคตมีข้อว่ากิสังแปลว่าผู้ผอมโบราณว่าสัตว์เลี้ยงผีหรือสีผอมดีตรงกันข้ามสัตว์เลี้ยงผอมหรือสีผีย่อมดูไม่งามผอมแต่ไม่มีโรคเปลียป่ยนเปลี่ยนย่อมดีกว่าอ้วนมีโรคคนสมัยปัจจุบันหวงเล็บพศ2ร1 6สอขณะที่เขียนเรื่องนี้ กลัวความอ้วนกันแต่เราก็หาขนอ้วนดูได้ทุกคนทุกแห่งการลดความอ้วนนั้นหมอทุกคนบอกให้ลดอาหารและออกกำลังกายพอประมาณอาหารพวกแป้งเนื้อและไขมันนั้นถ้ามีมากเกินไปในอาหารร่างกายก็จะนำไปเก็บไว้เป็นไขมันเมื่อมีจำนวนมากขึ้นก็จะทำให้เป็นโรคอ้วนนั่นคือการรับประทานจุเกินไป คงจะมีคนจำนวนมากที่ลืมคิดไปว่าการรับประทานอาหารมากเกินไปตามใจปากตามใจท้องจนเป็นนิสัยเคยตัวนี้เองคือการทำลายชีวิตของตนการอ้วนจนเกินไปหาใช่เป็นเรื่องอันน่าพึงพอใจไม่มีคนให้หลักเกณฑ์ไว้แบบชาวบ้านในการเตือนใจผู้รับประทานจุว่าถ้าวัดรอบพุงมีความยาวกว่ารอบอ ก, อกเมื่อใดทุกๆก นิ้วฟุตของเส้นรอบพุงเกินกว่าเส้นรอบอกนั้นหมายถึงว่าจะมีชีวิตสั้นกว่าที่ควรเป็นสองปีเสมอดังนั้นวิธีการที่เหมาะที่ดีที่สุดคือต้องระวังและจำกัดเรื่องอาหารให้น้อยลงการลดน้ำหนักตัวที่ถูกต้องก็คือต้องจำกัดอาหารบางชนิดให้พอเหมาะได้แก่พวกเนยนมครีมไขมันและอาหารพวกแป้งถ้ายังไม่อิ่มพอ กับความอยากที่กระเพาะเคยรับประทานอาหารจุมากก็อาจเพิ่มอาหารผักและผลไม้ให้มากขึ้นได้พร้อมแต่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจึงดีกว่าอ้วนแต่มีโรคหลายอย่างที่ตามความอ้วนเกินพอดีมาเช่นโรคความดันเลือดสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดอุดตันเป็นต้นความพอดีจี่เป็นเรื่องดีในทุกๆประการ คนผอมย่อมมองเห็นเส้นเอ็นชัดเจนท่านจึงว่าสะพั่งอยู่ด้วยเอ็นส่วนคนอ้วนเส้นเอ็นจมเพราะเนื้อมากมองไม่เห็นเส้นเอ็นข้อว่าผู้เดียวจเจริญฌานอยู่ในป่าความว่าเป็นผู้ชอบวิเวกพอใจในที่สงัดบุคคลเช่นนี้แม้จะมีอาหารน้อยก็ดูผ่องใสคราวหนึ่งมีผู้มาถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า อรัญเวยวิหรันตานังสันตานังพรหมจารินังเอกพัตตังพุญชมานานังเกวะวันโนปสีทติภิกษุประพฤติพรหมจรรยสงบอยู่ในป่าบริโภคอาหารหนเดียวทำไมจึงมีผิวพันผ่องใสพระพุทธเจ้าตัดตอบว่าอตีตังนานุโสจันตินปะประชัดปันโตอนาคตัง ปัจจุปนเนนยาเป็นติเตนะวันโนปสีทติไม่เศร้าโศกถึงอดีตไม่กังวลหวังถึงอนาคตยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงมีผิวพรรณผ่องใสเรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูรทรงปรารภภิกษุณีชื่อกีสาโคตมีมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้ ปลปฐมมยามคืนหนึ่งเท้าสกะเทวราชพร้อมด้วยเทวบริษัทไปเฝ้าพระศาสดาสดับธรรมกถาอยู่ขณะนั้นกีสาโคตมีภิกษุณีคิดว่าจะเข้าเฝ้าพระศาสดาจึงเหาะมาทางอากาศเห็นเท้าสกะเทวราชกําลังอยู่ณนะที่เฝ้าจึงกลับเสียเท้าสกะทอดพระเนธิ์ น, นางถวายบังคมพระศาสดาแล้วกลับไปจึงทูลถามว่า ภิกษุณีนั้นชื่อไรมาเฝ้าพระพุทธองค์แล้วกลับไปมหาบอ่อพิษภิกษุณีนั้นชื่อกีสาโคตมีทิดาของอัตมภาพเป็นยอดแห่งพระเถรีผู้ทรงผ้าบังสุกุลดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปังสกุละะละทารังชันตุงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณน า, นามาแล้วแต่ต้นเรื่องนี้ท่านก็คงกล่กาวถึงความมักน้อยสันโดษ ความเป็นผู้ที่ทรงอยู่ด้วยทุดงขวัตรเครื่องคัดเกลาน่แม้จะอยู่ด้วยความฝืดเครืองแต่ผิวพันธ์ก็ผ่องใสเนี่าือสัตว์พีมุนีผอมเพวกหนึ่งก็รู้อำนาจแห่งความยากอยู่ในญานนิคมและเมืองหลวงเ่อาศัยการอยู่ดีกินดีน ก็มีแต่อ้วนพีแต่ไม่มีคุณธรรมพวกหนึ่งที่อยู่ด้วยความมากน้อยสันโดษอาศัยบงังสกุลเป็นเครื่องอยู่ผ้าก็ผ้าบางังสกุลของใช้ต่างๆก็อาศัยบงังสกุลอยู่อย่างสันโดษมากน้อยแต่มีจิตใจผ่องใส น, นี่ก็จะมีความแตกต่างกันเพราะอาศัยคุณธรรม ดังนั้นผู้เป็นมุนีจึงเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษหรือผู้หวังขัดเกลาตนเองเนเพื่อให้จิตใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสก็ฝึกให้เป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษหรือยินดีตามสิ่งที่มีที่ได้ 13. ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลพระพุทธภาสิทธณาจาหังพรามะนังภูมิโยนิชังมัติสัมภวัง โวาทีนามะโสโหติสเวโหติสกินจโนอกินจณังอนาธานังตัมหังปลูมิพรามะนังแปลว่าเราไม่เรียกคนว่าเป็นพรามเพราะเหตุเพียงเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นพรามเขามีปกติเรียกกันว่าโพวาทีวงเล็บผู้เจริญเขายังมีกิเลสเครื่องกังวลแต่เราเรียกบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลไม่มีความ มั่นว่าเป็นพราหมณ์เคยมีพราหมณ์บางพวกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าพวกเขาเกิดจากปากพระพรมแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าที่พราหมณ์พูดเช่นนั้นเป็นการกล่าวเท็จความจริงเขาเกิดจากโยนีของพราหมณีทั้งนั้นใครๆก็รู้พวกพราหมณ์เรียกกันเองว่าผู้เจริญผู้เจริญคือโพวาที แต่ความจริงหากเขาไม่ได้กระทำกรรมอันเป็นเหตุให้เป็นผู้เจริญก็หาเป็นผู้เจริญได้ไม่เขายังมีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นส่วนพระศาสดาพอพระไทยที่จะเรียกบุคคลผู้ไม่มีความกังวลไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นพรามอุปาทานหรือความยึดมั่นนั้นท่านจาแนกว้4ประการคือ 1. กามุปาทานถือมั่นกามสองทิฏฐปาทานถือมั่นทิฏฐ 3. ศีลพัตุปาทานถือมั่นศินพจน์ 4. อั ต, ตาวาทุปาทานถือมั่นวาทะว่าตนถือมั่นข้างเลวได้แก่ถือรั้นจัดเป็นอุปาทานถือมั่นวัตุ ก, กามด้วยอำนาจกามตัณหาหมกมุ่นอยู่ว่านั่นของเราจนเป็นเหตุให้เกิดอิดสาหรือหึงจัดเป็นกามุปาทาน ในภาษาบาลีสกุคําว่าอิจฉาเป็นอิจสานะถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยไม่ใช่อ่านผิดแต่อิจฉาเป็นภาษาไทยแต่อิจภาษาบาลีเป็นอิจสาสอเสือถือมั่นความเห็นผิดด้วยอํานาจหัวดื้อจนไปนเหตุให้เถียงกันทะเลาะกันจัดเป็นทิฏฐุปาทานถือมัน่นศีลพจน์คือธรรมเนียมที่เคยประพฤติมาจนชินด้วยอํานาจความเชื่อว่าขัง จนเป็นเหตุให้หัวดื้งองมงายจัดเป็นศสีรพัตุ ป, ปาทานถือเราถือเขาด้วยอำนาจมานะจนเป็นเหตุถือพวกจัดเป็นอตตวาทุก ป, ปาทานสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงอธิบายไว้สั้นๆแต่อมความไว้มากพอแก่ความต้องการทรงจำกัดความว่าอุปาทานหมายถึงความถือมั่นข้างเลวเท่านั้นขยายความว่าความดื้อรั้น รวมความว่าวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความถือมั่นมีสี่คือกามทิฏฐิทำเนียมที่ประพฤติมาจนสิ้นซึ่งอาจจะมีที่ผิดเชื่ออยู่มากและตัวตนเราเขาบุคคลผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีราคะเป็นต้นและไม่มีอุปท า, านสี่ทรงยกย่องว่าเป็นพรามหรือผู้ประเสริฐเรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ในเชตวันวิหารทรงปรารบพรามคนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้ พราหมณ์คนนั้นคิดว่าพระสมณโคโดมตัดเรียกสาวกของพระองค์ว่าพราหมณ์เราเป็นผู้เกิดจากสกุลพราหมณ์พระโคโดมควรเรียกเราว่าพราหมณ์บ้างดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลถามเรื่องนั้นพระาศาสดาตัดกับเขาว่าเราไม่เรียกบุคคลว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุสักว่าเกิดในสกุลพราหมณ์หรือถือกําเนิดจากพราหมณีแต่เราเรียกคนว่าพราหมณ์เพราะไม่มีกิเลส เครื่องกังวลและไม่มีความถือมั่นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าณจาหังพรามนังภูมิเป็นอาทิมีนัยยะดังพันานามาแล้วแต่ต้นในการจบพระธรรมเทศนาพรามนั้นได้บรรลุโสดาปติพลอันนี้ก็เป็นเรื่องทำนองเดียวกันสิบสี่ผู้ล่วงเครื่องข้องพระพุทธภาษิต สัพพสันโยชนังเฉตวาโยเวนะปริตดสติสังคาขีตังวิสังยุตตังตะมหังผูมิพราหมนังแปลว่าผู้ใดตัดสังโยดได้แล้วไม่สะดุง้งเราเรียกผู้นั้นซึ่งล่วงเครื่องข้องได้แล้วหลุดพ้นแล้วว่าเป็นพรามบทนี้จะเกี่ยวเรื่องกับพรามนะครับ อธิบายบุคคลที่ยังสะดุ้งเพราะยังมีกิเลสเมื่อหมดกิเลสก็ไม่สะดุง้งอีกต่อไปเย็นสนิทไม่มีความเร่าร้อนใดๆอีกเลยกิเลสอันผูกพันสัตว์ไว้ในวกนั้นท่านเรียกว่าสังโยชนิสิบคือ 1. สักะยะทิฏฐิความเห็นในทางถือตัวถือตนคือถือว่าเป็นเราเป็นของเรา 2. วิจิกิจฉาความสงสัยในทางนิพพาน สงสัยในขุณพระรัตนตรัยในความดีความชั่ว 3. ศีลพัตะปรามาตรความเชื่อถือผิดในขนบธรรมเนียมในศีลและวัด 4. กามวราคะความกำหนัดในกาม 5. ปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตได้แก่ความหงุดหงิดเพราะโทสะเรียกโทสะโดยตรงก็มี 6. รูปราคะความติดใจในรูปฌานเ อรูปราคะความติดใจในอรูปฌานาป 8. มานะความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ 9. อุทจฉะความฟุง้งซ่านความคิดพลานเช่นนึกอะไรก็เพลินเกินไปกว่าเหตุ 10. อวิชชาความเขลาความไม่รู้จริง 5. ประการต้นเรียกโอรัมพาคิยสังโยชตแปลวา่าสังโยช์เบื้องต่ำา5ประการหลังเรียก อุดธรรมภายิสังโยชน์แปลว่าสังโยชน์เบื้องสูงพระอรหันต์เท่านั้นละได้บุคคลผู้ไม่มีสังโยชน์เป็นเครื่องผูกพันแล้วย่อมไม่สะดุ้งไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ความตายสมจริงดังที่ท่านกล่าวว่าสัตว์ไม่กลัวตายมีอยู่สีจำพวกคือช้างอาชานยหนึ่งม้าอาชานยหนึ่งโคอุสุภะอาชานยหนึ่งและ พระขีนาศพหนึ่งพระกีนาศพไม่กลัวตายเพราะมองไม่เห็นใครที่ไม่ตายและเพราะท่านละสักยทิฐิได้แล้วส่วนสัตว์อีกสามจำพวกไม่กลัวตายเพราะสักยทิธิแรงมองไม่เห็นสัตว์ใดเสมอตนมีมานะจัดเรื่องนี้พระาศาสดาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงปรารบบุตรเศรษฐีชื่ออุกเสณนะหรืออุคเสนมีเรื่องดังนี้ เรื่องนี้มีพิสดารแล้วในเรื่องที่หกแห่งตันหาวค้าวณนน า, นาในที่นี้มีเพียงว่าภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระเจ้าข้าพระอุคเสณเมื่อถูกถามย่อมกล่าวว่าไม่กลัวดังนี้เป็นผู้อวดมักผลพระศาสดาตัดว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราตัดสังโยต์แล้วย่อมไม่กลัวอะไรดังนี้แล้วตัดพระคาถาว่า สัพพะสังโยชนังเจตาวาเป็นอาธิมีนัยะดังพรรณนามาแล้วแต่ตนนั่นแหลเนี่ก็เกี่ยวกับคุณธรรมส่วนที่ของพระคีณาศพซถึงการตัดสังโยชน์ดังที่กล่าวเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจโดยเฉพาะของผู้ปฏิบัติโดยตรงเกี่ยวกับการละกิเลสภายในเ น, นี่ตั้งแต่ สังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงสิบห้าผู้ถอนริมสลักได้แล้วนะพระพุทธภาษิตเชตวานัตถิงวรัตตัญจะสันทา น, นังสหนุกกมังอุคิตะปริคังพุทธังตํหังปูมิพราหมณังแปลว่าเราเรียกท่านที่ตัดความโกรธดังชนะ ตัดตันหาดังเชือกโยงและตัดทิฏฐิดังเครื่องต่อพร้อมทั้งสายผู้มีริมสลักอันถอนขึ้นแล้วผู้รู้ว่าเป็นพราหมณ์ชนะในที่นี้ทรงหมายเอาความโกรธเชือกโยงทรงหมายเอาตันหาเพราะผูกสัตว์ไวในพบเครื่องต่อวงเล็บสันฐานั่งทรงหมายเอาทิฏฐิ62ิอันประกอบด้วยสายคืออนุใสกิเลสทั้งปวง วงเล็บมีเจ็ดิมสลักทรงหมายเอาอาวิชชาผู้รู้ทรงหมายเอาผู้รู้อริยสัจสี่บุคคลผู้ตัดความโกรธตัณหาทิฏฐิอนุสัยถอนอวิชชาได้รู้อริยสัจสี่นี่แหละทรงเรียกว่าเป็นพราหมณ์เรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพพราหมณ์สองคนมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พราหมณ์สองคนเถียงกันว่าโคของตนมีกําลังมากกว่า ของอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไม่ยินยอมจึงเกิดการประลองกำลังกันขึ้นเขาทั้งสองพาโคไปที่ริมแม่น้ำอจิรวดีบรรทุกเกวียนให้เต็มไปด้วยทรายแล้วให้โคลากประลองกำลังเกวียนได้หยุดณที่แห่งหนึ่งชนะและเชือกขาดภิกษุทั้งหลายไปอาบน้ำที่แม่น้ำอจิรวดีเห็นเหตุการณ์นั้น เมื่อกับสู่เชตวันวิหารจึงกลาบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ พ, พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชนะและเชือกนั้นเป็นแต่ภายนอกใครก็สามารถตัดได้ส่วนภิกษุควรตัดชนะคือความโกรธและเชือกโยงคือตัณหาดังนี้แล้วตัดพระขาถาว่าเชตวานัตถิงวรตัญจะเป็นอาทิมีระยะดังพรรณน า, นามาแล้วแต่ตน จบพระธรรมเทศนาภิกษุห้าร้อยดำรงอยู่ในอรหัตผลส่วนมากก็จะเป็นเรื่องประกอบย่อยๆซึ่งเน้นในพระคาถาซึ่งคาถาก็บ่งชัดอยู่แล้ว